ยิม่มีคนคิดขยันก็ทำไปวันละนิดวันลัหน่อยเะนั้นพืว่อเรายังไม่มีผมสนใจกันหรือยังไม่มีผมตั้งใจกันในการประพฤติปฏิบัติธรรมเมื่อพูดถึงเร่งนี้ผมเคยปฏิบัติมาที่นันมาเล่าให้ฟังนี้ไม่ใช่อวดดีเอาคนจริงมาพูดให้ฟัง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 ปฏิบัติที่ตัวเราเพื่อให้รู้ที่ตัวเรานี่เองนี่เราศึกษาในตำรับตาลาในกฎชี่เข้ามาที่ตัวเราจนเราเลยไปติดตำรับตาลาก็เลยไม่รู้ที่ตัวเราแล้วครูบ า, าอาจารย์คนหลายท่านสอนไปเรื่อยเหมือนกันแต่องค์ที่สอนนี่นแหละเราต้องคํานวณองค์ที่สอนเรานะ่ะ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 อยากหาธรรมะวิธีที่ทางค้นทุกหรือทางดับทุกนั่นแหละมันต้องการคำสอนของพระพุทธเจ้าจริงๆนั่นแหละเมื่อไปพบเอากับพระพุทธเจ้าถามาพระพุทธเจ้ า, าพระพเจ้าแสดงความจริงให้ฟังไม่เข้าใจเขาเลยสลัดหัวไปเลยอันนั้นแปลว่าแสดงความจริงให้ฟังแล้วไม่เข้าใจ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 ดังนั้นพระพุทธเจ้าถ้าจริงสอนให้เราอะพอลระมักระวังที่จิตที่ใจเราไม่เคยดูใจเราบางคนเกิดมาจนตายจะมีบนบางคนไม่เคยดูชีวิตจิตใจของเราเนี่ยด้วยฉะนั้นการปฏิบัติธรรมะก็ไปปฏิบัติที่อื่นไปปฏิบัติอย่างที่เขาพูดกันเข้าไปอยู่ในถ้า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 มันนู่หละพระพุจะทจ้าท่านสอนไม่ใช่วาท่านรักษาศินรท่งคัดแล้วคนโกรธมันหายนหมอธิษรานไม่หายเมืมม่อคนโกรธไม่หายท่านมีสินไะมไม่มีครับเนี่ยก็ท่านเองเนี่ยสิน น, นี่แปลว่ปกติเดี๋ยวนี้ท่านจิตใจท่านเป็นปกติอันนี้หละที่ท่านมีสินท่าเมื่อเวลาใดขณะไหน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 อันไม่ได้จริงทุกตอนไม่มีสินให้เขาใอย่างยังสินแปลปกติคือไม่มีดีไม่มีชั่วคือเสือเสแหละไม่เป็นคนมีสินในขณะนี้เนี่ยพวกเรามีศินพระก็มีศินเงินก็มีศินญาติโยมก็มีศินถ้าหักผิดปกติขึ้นมาเวลาใดเวลานั้น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 มันเปนอยี้มันต้นคู่กันมีโทสะมีโมหะมีโลภะท่านว่าอย่างนี้เมื่ อ, รนน อ, ยอยเรามีสติมีสมาธิมีปัญญาแล้วเขาเรียกว่าะโทสะอะโมหะอะโลภะโทสะโมหะโลภะไม่เกิดขึ้นได้เพราะมีสติมีสมาธิมีปัญญาแต่อ า, า ย, ยา น, นที่ผมพูดนี้อันนี้ตัวได้ยิน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 เมื่อสติเขาไปกำหนดรู้เมื่อสตินั้นน่ะเข้าจะกำหนดรู้เมื่อสติเข้าไปกำหนดรู้แล้ว ม, ม, ม, ม, นะมันเขาไม่ต้องโกรธใช่ไหมใช่ครับอันนี้หลยเป็นการปฏิบัติธรรมะเรื่องต้นที่สุดตุดแรกที่สุดมันไม่โยมพระโกรธเป็นไเป็นครับเนี่ยเป็นโยมโกรธเป็นไหเป็นครับเนมันไม่ยกเรื่องใครทั้งหมดเลยคนมีเงินมากๆก็โกรธเป็นใช่ไหม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 กนที่เราจะนำเอาความรู้ไปสอนคนอื่นนั้นเราจ้รับรองได้มีวิธีอย่างนั้นจะปฏิบัติอย่างนั้นมันจึงเข้าใจอย่างนั้นมันต้องเข้าใจไม่ต้อจะไปพูดอะไรแล้วต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนั้นอานนั้นมันไม่แน่นอนนี่ผมพูดนี่ผมรับรองได้ไม่ต้องไปศึกษาเล้วเรียนอะไรมากถ้าหากว่าเรามาศึกษาปฏิบัติที่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 มันมี้คนที่ไม่รู้ถึงเวลาเราต้องการคมสว่างก็ไปจับลอดใส่หมูลอดใส่จะมีไฟนะไม่เหันนม่มี่มมันะมนนืคนที่กลาดนะ่ยมั น, น, นถึงเวลามันมืดเราอยู่ที่มืดเราต้องการคมสว่างเขาไปจับเอาสวิตมนะันใปไมันจะสว่างไปไหมสว่างอันนี้ก็เหมือนกันนะครับคมโกดคนโลภคนหลงไม่ต้องผมนึกไปคิดในมัน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 เมื่อเราเป็นักของคนอื่นคนอื่นเขาจะพอใจไหมไม่พอใจเออราก็เห็นอย่างนี้เนี่บางทีเราไปตีคนอื่นนะบางทีคนอื่นจะพอใจไหมไม่บางทีคนอื่นมาตีเราจะพอใจไหมไม่เราไปโกรธคนนั่นคนนี้แล้วคนที่รับคำโกรธของเราเขาจะพอใจไหมพอใจบางทีเขามาโกรธเราเราพอใจไหม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 ยามรู้มันเร็วใเข้าใจอย่างไงอันนี้เราจะไปหาว่าเขาพูดให้เราแต่เราโองงูที่สุดอันนี้นี่มันเป็นั้นวิธีปฏิบัติมันไม่มากที่นํามาเล่าให้ฟังวันนี้ต้องจดจำเอาไว้วิธีปฏิบัติง่ายๆเราต้องทําตัวของเราเป็นพระเป็นพระเป็นเมงก็เป็นพระเป็นเมงอยู่ในวัดเป็นญาติเป็นเมมก็เป็นพระอยู่ในบ้านในเรืองก็ได้